นิวรณ์บัพพาเนี้เป็นยังไงบ้างฟังแล้วสนจิตเกิดมากไหมนิวนร์ระงับขึ้นคือพูดนิวรณ์แล้วนิวร์ต้องระ ง, งับนะจริงจะถูกนะถ้าพูดนิวร์แล้วนิวร์เพิ่มสแสดงว่าผิดหลักของการพิจารณานิวรณ์เนี่ยนะก็คงไม่ทิ้งพุทธพจน์ที่ว่า เมื่อการมาชันทะนิวรมีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าการมาชันทะนิวรณ์มีอยู่ณภายในจิตนหมายถึงการมาชันทะที่เกิดบ่อ ย, อยเกิดเนือ ง, เ, องเมื่อการมาชันทะนิวร์ไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าการมาชันทะนิวรณ์ไม่มีอยู่ณภายในจิต อันนี้หมายถึงว่าในขณะนั้นไม่มีกามฉันทานิวรหรือว่ากามฉันทานิวรไม่เกิดขึ้นเพราะกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเจริญหรือกําลังเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กา ร, รมฉันทน์เลยไม่เกิดอีกอย่างหนึ่ ง, างรรมากว่ากามฉันทานิวรที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยพูดถึงบาปอากุศลถ้ามันจะเกิดเพราะว่า ถ้าก่อนหน้านี้กุศลเกิดกุศลที่เกิดเพราะมีโยนิสโสมนัสิการถ้าละทิ้งโยนิสโสมนัสิการละทิ้งการเจริญกุศลเมื่อไหร่นิวรทั้งหลายก็เกิดขึ้นหม่เนี่ยนะอกุศลก็เกิดเพิ่มก็เกิดขึ้นหรือคนที่ไม่ได้เจริญกุศลเนี่ยนะพอได้ปัจจัยอกุศลก็กลุ่ม ร, มรุมอยู่แล้วเพราะว่านิวรกับปริยุทธานไม่ได้มีความต่างกันอะไรเลยก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเอง ข้อต่อไปว่าการมาฉันท่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยพูดถึงวิธีละการมาฉันท่านิวรณ์ไอคําว่าละการมาฉันท่านิวรณ์ก็ละด้วยประหารห้นะแต่ทางค้าประหารวิคัมพระนาประหารสมุเฉดถ้าประหารปฏิปัสสติประหารและนิสรณประหารเบื้องต้นคือตทางค้าประหารกับวิคัมพระนาประหารสองประการนั้นก็คือสมถะกับ วีปัสนานี่นนะคำว่าสมถะนั้นโดยศัพท์นี้กวางอมความรวมถึงศีลด้วยเนี่ย น, นะคำว่าสมถะศีลทั้งหลายก็นับเนื่องในสมถะเนี่ย น, นะก็เป็นการทำไม่ให้บาปอากุศลธรรมเกิดขึ้นนั่นเองทีนี้ศีลก็มีรายละเอียดหลากหลายในการบำเพ็ญในการเจริญ เพราะว่าในระหว่างที่เจริญศีลกุศลอยู่นิวรณ์ทั้งหลายก็ไม่เกิดนิวรณ์ก็ไม่กลุ้มรุ่งนะถามว่าถ้าเราทำวัดในพระเจดีทั้งหลายกราบพระเจดีเป็นต้นกุศลเหล่านี้เป็นกุศลประเภทไหนเป็นศีลหรือเป็นภาวนานนนะขณะที่ไปกราบไหว้พระเจดีทั้งหลายเนี่ย น, นะเดินประทักษินลด้วยความเคารพ หนักไปที่คารวตานี่ก็เป็นศีลกุศลแต่ถ้าเน้นไปเจริญคุณเนี่ยนะอย่างไปในเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ไปละลึกถึงพุทธคุณว่าพระผู้มีพระภาคมีคุณเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นอันนี้ก็เป็นภาวนากุสนแต่ถ้าเน้นไปที่ไปอ่อนน้อมไปเคารพไปสักการะอันนี้ก็เป็นศีลกุศล การเจริญกุศลเหล่านี้นิวรณ์ก็ไม่กลุ้มรุมเนี่ยนะถ้าเราเห็นโทษของนิวนรณ์จริงๆนะเวลาเจริญกุศลอย่างนั้นเนี่ยพอทํากุศลเสร็จให้ตั้งอุปนิสัยเอาไว้เลยว่าขอจงเป็นไปเพื่อสงบระ ง, งับจากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเช่นถ้าหากว่าใครมีการมาฉันท่านิวรณ์กลุ้มรุ ม, มเกิดบ่อยเนี่ยนะ เ, น เ, นเนจริญกุศลอย่างนี้ทีก็พอเจริญกุศลเสร็จตั้งความปรารถนาที ตั้งอัธยาศัยไว้ทีหนึ่งเนนะเนะจริญกุศลทีตั้งความปรารถนาทีจนกว่ามันจะเป็นที่พอใจนั่นแหละเนี่ยนะนการตั้งอัตตะสัมมาปณิที่เนี่ยจึงควรตั้งบ่อยๆเนี่ยนะนะคือตั้งเพื่อที่จะละอกุศลเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายอยู่แล้วควรตั้งบ่อยๆควรทำบ่อยๆอย่าไปกลัวว่าเอ๊นี่มันจะกิเลสหรือเปล่านะจริงๆแล้วการตั้งแบบนี้มีแต่ท่านสอนให้ตั้ง ไม่ไม่มีหรอกที่สอนให้รังเกียจนะนะเพราะมีมีที่ไหนบ้างอะที่ที่ตั้งความปรารถนาเพื่อละกิเลสนะนะถ้าคนนั้นไม่ทําด้วยกุศลจิตมันคงไม่เป็นไปไม่ได้หรอกนั่นนะเพราะฉะนั้นกุศลจิตนี่แหละเป็นปัจจัยสําคัญที่ให้ตั้งความปรารถนาเพื่อละบาปอากุศลการตั้งอุปนิสัยเอาไว้อย่างนี้บ่อยๆตอนหลังถึงได้ปัจจัยอกุศลอย่างนั้นก็ไม่เกิดนั่นนะถ้าตั้งไว้บ่อยๆนะ เหมือนกับว่าเราสำเนียกหรือตั้งใจไว้อะไรในบางอย่างเอาไว้นะว่าเวลานั้นเราจะไม่ลืมเวลานี้เราจะไม่ลืมย้ำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเพราะถึงเวลานั้นมันไม่ลืมใช่ไ อ, อนุภาพของการย้ำการตั้งอัธยาศัยนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราหมั่นย้ำเอาไว้ในจิตบ่อยๆว่าจะเห็นโทษนิวรจะละนิวร จเจริญกุศลแล้วก็ย้ำทุกครั้งที่จเจริญกุศลย้ำบ่อยๆ ย, ย้ำบ่อยๆเวลาอากุศลมันเกิดขึ้นก็ตั้งใจว่าเราจะเห็นโทษมันให้มากนะนกุศ ล, ลจิตก็จะมีกําลังมากขึ้นบาปอากุศลละธรรมเหล่านั้นก็ไม่ค่อยกลุ่มรนะุมก็อยู่ที่การตั้งใจอย่างในคัมภีร์ทั้งหลายที่ ท, ท่านนอมน้อมพระัตนะตรัยนี่นะจุดประสงค์หลักอย่างหนึ่งก็คือเพื่อที่จะไม่ให้อกุศลธรรมทั้งหลายได้ช่องนั่นเองนะ เพราะไรเพราะว่าการนอบน้อมพระตรัสรายเนี่ยนะเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่บาปอากุศลไม่กลุ่มรงเนี่ยนะแล้วก็เป็นเป็นมหากุศลอย่างยิ่งที่ไปตัดบาปอากุศลด้านอื่นๆเ น, นี่ยนะหรือแม้กระทั่งกรรมบางอย่างที่จะให้ผลก็ไม่ให้ผลเนี่ยนะด้วยอนุภาพของการระลึกนึกถึงคุณพระตรัตรายนอบน้อมพระตรัตรายดันั้นการเจริญกุศลแต่ละอย่างแต่ละครั้งก็ควรตั้งเป็นอย่างมากเพื่อที่จะละนิวรณ์เนี่ยนะ นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่รู้ว่าเวลาไหนไหนีน่วอนไหนจะเกิดก็ตัดเหตุซะก่อนใช่ไหมตัดเหตุไปเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งซะก่อนนะหรืออยู่ในอิริยาบถไหนนิ่วอนมันจะเกิดก็เปลี่ยนอิริยาบถนะนะเหมือนว่าท่านท่านนั่งอยู่ตรงนี้อีกพักหนึ่งคงหลับแน่นะก็ลุกไปที่อื่นซะก่อนนะนะขณะ น, นั้นก็ไม่หลับละเหมือนกันถ้าอยู่ที่ไหนเอ้ยนี่ถ้าอยู่นานเนี่ยนะราคะกลุ่มรมแน่ก็เปลี่ยนที่ซะเปลี่ยนอิริยาบถก็ ได้ระดับหนึ่งอนนะก็หลีกเลี่ยงไปอันนี้ก็เป็นการละชั่วคราวไปก่อนนีนะคือไม่ให้มันมาเกิดบ่อยๆแต่การละชั่วคราวนั้นสําคัญมากก็อยู่ที่ตั้งอุปนิสัยอย่างที่กล่าวไปแล้วนะให้ตั้งอุปนิสัยว่าการละชั่วคราวเหล่านี้เพื่อละทาวร น, นะสมุเทเชทะปะหารคืออารยมรรคเป็นการละอย่างถาวรแต่ว่าการละถาวรที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นก็ จากการตั้งอัธยาศัยเนี่ยนะทีนี้พูดถึงเหตุที่ทำให้ละการมชฉันทานิวร์ในเอกสารสติปัฏฐานที่แจกไปหน้า14กล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอาสุภานิมิตมีอยู่การทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสัสการในอสุภานิมิตนั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งการมฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเพื่อละการมฉันทะที่เกิดขึ้นแล้ว น, นะโยนิสโมสมนัสการแปลว่าความทำไว้ในใจที่ถูกต้องอย่างมีอุบายคือเรียกว่าใส่ใจตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นๆนะเช่นความจริงของธรรมะนั้นไม่เที่ยงก็ใส่ใจว่ามันไม่เที่ยงจริงๆอ่ะความจริงมันเป็นทุกข์ก็ใส่ใจว่ามันเป็นทุกข์ความจริงมันเป็นอนาัตตาก็ใส่ใจว่าเป็นอนัตตาความจริงไม่งามก็ใส่ใจโดยความเป็นของ ไม่งามก็ใส่ใจตามเป็นจริงนั่นแหละไม่ได้ว่าไปซิกแซกซับซ้อนอะไรมากมายหรอกแค่ว่าให้เอาความจริงมายอมรับเท่านั้นเองนะยอมรับความจริงเช่นนี้บ่อยๆอย่างนี้แหละเรียกว่าโยนิโสมานสิการในการโยนิโสมานสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอนัตตาบ้างอสุภะบ้างในอารมณ์นั้นๆนะ น, นะก็ถือว่าเป็นปัจจัยเพื่อการกาจัด อกุศลหรือการกําจัดนิวรในอารมณ์นั้นๆได้เป็นอย่างดีอย่าลืมว่าในอารมณ์เดียวเนี่ยนะถ้ามีโยนิโสมรณสิการเกิ ด, ก, ก, ด, าา ก, ก, ดกุศลก็เกิดถ้าอโยนิโสมนสิการเกิดอกุศลก็เกิดเนี่ยนะอารมณ์เดียวเหมือนอีกอย่างหนึ่งธรรมะ6ประการย่อมเป็นไปเพื่อละกามฉันทะคือ1การกําหนดอสุภานิมิตเป็นอารมณ์เนี่ยนะก็เช่นอุกหานิมิต เป็นต้นเนี่ยนะพูดแบบง่ายๆก็ไปจำภาพอะไรอย่างหนึ่งที่เขาคิดถึงแล้วแหมกิเลสช ง, งัดนักแรเลยนะก็บางอย่างเคยรู้จักพระพิสุร้ายรูปนะท่านจะมีภาพเด็ดๆของท่านเอาไว้สักภาพหนึ่งนะที่เรียกว่ายังไงก็เอาภาพนี้ไว้ก่อนนะอันนี้ก็เรียกว่าอาสุภาพนิมิตคือภาพที่เป็นอสุภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่คิดแล้วก็อกุศลมันลดลงเลยนะ กนะเช่นมีภาพอยู่ภาพหนึ่งอนะเป็นซากศพที่เยว่า ม, มันถลกตั้งแต่ศีรษะเนี่ยเป็นมันคนเนี่ยหลงมากองไว้ข้างล่างคางอย่างนั้นนะ่ะนะก็อไปไหนก็นึกภาพอันนี้ไปก่อนก็ได้เช่นนะั้นะนะการใส่ใจในอสุภาษนิมิตก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้ราคาเนี่ยลดลงอสุภาษนิมิตเนี่ยนะมีอยู่สิบเอ็ดอย่าง ก็สิอย่างนี้ก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มอสุพะที่ยังมีชีวิตอย่างหนึ่งกับอสุพะที่ไม่มีชีวิตอย่างหนึ่งอสุพะที่มีชีวิตก็คือพวกผมคนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยนในกระดูกทั้งหลายแหละพวกนี้เรียกว่าอสุพะที่ในสิ่งมีชีวิตนะซึ่งจริงๆก็อสุพะจริงๆด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็อสุพะในสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือซากศพที่ตายไปแล้วนี่ยนะ ก็ซากศพตั้งแต่ตายวันหนึ่งสองวันจนถึงกระดูกแหลกเป็นผุยผงเนี่ยนะก็จำให้ได้สักสักอย่างหนึ่งไว้ก่อนก็ยังดีการใส่ใจในอารมณ์นั้นๆหรือนิมิตนั้นๆที่เป็นอสุภะอย่างนี้การมาฉันทะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้ที่เกิดขึ้นแล้วก็สงบประงับไป น, นะน่เรียกว่า เปลี่ยนอารมณ์ให้ได้นะเปลี่ยนจากอารมณ์ที่ที่ที่เราคิดว่า ง, งามให้ไปเป็นอารมณ์ที่ไม่งามแทนอย่างที่2การประกอบหนึ่งหนึ่ ง, งซึ่งอสุภะภาวนาเนี่ยนะก็คือทําสภาพจิตที่มีอสุภะเป็นอารมณ์เนี่ยนะให้เกิดบ่อยๆแบ่งเป็น2 อ, อย่างก่อนนะนี้โดยอารมณ์ะนะ โดยอารมณ์นี้ก็แบ่งเป็นสองที่เรียกว่าอสุภะสองประการสองประการก็แบบมีวิญญาณครองมีวิญญาณครองก็คือในสิ่งมีชีวิตคือการพิจารณาผมขนเล็บเป็นต้นอานนี้อย่างหนึ่งอีอย่างหนึ่งก็คือไม่มีวิญญาณครอง ไม่มีวิญญาณครองมีอยู่สิบประเภทด้วยกันก็คือที่เรียกว่าอสุภาษิบเนี่ยนะซากศพที่เป็นเช่นบางคนก็ประทับใจในสีเขียวไงนะก็ซากศพที่หน้าสีเขียวบวมคล้ำเนี่ยนะก็จำภาพอันนั้นเอาไว้นะการมนสิการนิมิตเหล่านี้เนะี่ยให้เกิดที่เรียกว่าอุกหานิมิต อุกกาแปล ว, ว่าการเรียนหรือการถือเอาก็ได้นิมิตคือการถือเอาว่างั้นเถอะถือเอาหรือกําหนดจดจําภาพเหล่านั้นนะถ้าใครไม่ได้สักภาพเลยก็ปรึกษากับคุณหมอก็ได้นะอาจจะมีดีๆให้นี่อย่างหนึ่งอย่างที่2ก็คืออสุภาพภาวนาอสุภาพภาวนานั้นหมายถึงกุศลจิต กุศลจิต ท, ที่มีอสุภะเหล่านี้แหละเป็นอารัมณะปัจจัยให้เนะกุศลจิตเหล่านี้เมื่ออบรมมากๆก่อให้เกิดอุปจาระสมาธิอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งถ้าสามารถเจริญหรือบำเพ็ญจนได้ช้านเรียกว่าอัปปนาสมาธิเนนะพุ์ท่านบอกว่าในชั้นต้นให้คิดถึง อสุภนิมิตก่อนอย่างนี้เรียกว่าอาสุภนิมิตเนี่ยนะอย่างที่สองก็หมันเจริญอสุภภ า, าวนาเนี่ยนะอสุภภ า, าวนานั้นหมายถึงกุศลจิตที่มีอสุภเป็นอารมณ์เนี่ยนะซ่องเสพกุศลจิตเหล่านี้ที่เจริญอสุภเนี่ยซ่องเสพให้มากๆคิดบ่อยๆนะจนชํานาญอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยเพื่อละ การมาฉันทะนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในข้อหนึ่งนะสุภาพนิมิตข้อที่สองอสุภาพภาวนาอย่างที่สามเนี่ยนะคือชักสะพานเสียคืออินทรีสังวรเนี่ยเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเหมือนกัน มันก็ไอสาเหตุที่ว่าอยู่ๆแล้วนิวณนจะกลุ่มรุมเนี่ยไม่ใช่ว่ามันอยู่ๆแล้วมันมากลุ่มรุมได้ง่ายๆน ะ, <c oughs> ะเหตุหรืออาหารของนิวรนก็มีอยู่ใช่ไหมนิวร์ก็มีอาหารถามว่าอะไรเป็นอาหารของนิวรนเนี่ยนะพูดถึงนิวร์ก่อนนะนิวร์ก็มีอาหารอาหารของนิวณนคือทุจริต3ประการเนี่ยนะ ทุจริตสก็มีอาหารอาหารก็คือไม่สำรวมอินทรีย์ตรงนี้ถ้าพูดตามสำนวนโคปาละกะสูตรแปลว่าไม่รู้จักปิดแผลแปล่อยให้แผลก็เลยพวกมแมลงวันก็เลยมาตอมแผลใหญ่เป็นอากุศลวิตกหรือนิวอนกลุ่มรุมเพราะฉะนั้นต้องรู้จักปิดแผลถ้าปิดแผลตั้งแต่แรกแล้วก็ นิวรณ์ก็ไม่เกิดนะน่ะอาการไม่สํารวมอินทรีย์ก็มีอาหารนะคือไม่มีแบ่งออกเป็น2 อ, อย่างคือสติสัมปชัญญะนะน่ะคนที่ไม่สํารวมอินทรีย์เนื่องจากไม่มีสติสัมปชัญญะหรือหรือจากอะไรหรือจากไม่มีฮิริโอตาปะ เพราะไม่มีสติสัมปชัญญะหรือไม่มีฮิริโอตปานั่นแหละเจึงไม่สำรวมอินทรีย์แต่ว่าพวกนี้ก็มีอาหารอีกนะอาหารก็คืออะไรไม่มีโยนิโสนี่ไงแปลว่าพื้นฐานไม่ค่อยยอมรับความจริงเท่าไหร่นะโยนิโสก็คือคิดตามจริงอ่ะนะมันจริงยังไงก็คิดอย่างนั้นแสดงว่าถ้าอโยนิโสก็ไม่ค่อยยอมรับความจริงอ่ะนะ ทีนี้อยโยนิโสก็มีอาหารคือไม่มีศรัทธาก็ไม่รู้จะเจริญไปทําไมอ่ะนะละนิวลไม่เห็นมีประโยชน์ตรงไหนชีวิตมันก็หมดรสชาติหมดสิ่งนั้นอ่ะนะพูดแบบคนไม่มีศรัทธาเขาจะว่ากั้นเออนี่ยถ้ากามาชันถ้าไม่เกิดนะมันก็หมดรสชาติสชีวิตว่างนันนันะมันก็ต้องแบบคล้ายๆนะบางคนก็บอกว่าชีวิตนี้ถ้าไม่เมาแล้วมันก็ไม่รู้จะอยู่แล้วมีประโยชน์ตรงไหนเพราะงั้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเมาไว้ตลอดอนะเนี แต่ที่ไม่มีศรัทธาก็มีอาหารนะเพราะว่าเป็นปู่ทุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยนะอะไรก็ตามนะเวลาที่นิวรณ์หรืออกุศลเกิดเนี่ยนะไล่มาเรื่อยๆจะรู้ว่าฟังไม่บริบูรณ์มานั่นเองหรือที่เรียกว่ารู้เรื่องนั้นไม่จริงอ่ะนะ mm hmm. เช่นถ้ารู้จักการมาฉันถ้าจริงๆอ่ะนะถ้าฟังหรือเรียนมาอย่างพอจริงๆอนะ่ะนิวรณ์มันต้องไม่เกิด อันนะ่ะเพราะเป็นไปตามปัจจัยเหล่านี้แต่ที่ว่าอาจจะผ่านหูมาบ้างแล้วนี่วอนเกิดแล้วบอกว่าเรียนมาแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ น, นะคำว่าฟังในที่นี้ไม่ใช่สักว่าผ่านหูเพราะว่าคนสมัยพุทธกาลเขาก็ฟังอ่ะนะแต่ฟังแล้วเขาบรรลุเลยอะ่ะอย่างสูตรง่ายสูตรเหมือนธรรมดาจริงๆเลยะนะแต่ทําไมท่านฟังแล้วบรรลุ เช่นพระองค์บอกว่าให้ละกามะโอคะละโอฆะละกิเลสละอาสวะเนี่ยนะท่านฟังก็ไม่มากท่านท่านไปพิจารณาแล้วบรรลุเลยที่บรรลุคือฟังแล้วก็ทรงจําแล้วก็ไข้ครควนบทเหล่านั้นจนแทงตลอดอริยสัจได้จริงๆมันถ้าเราฟังจนแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะนิวรนอันนี้ก็ไม่ไม่เกิดแสดงว่าพื้นฐานชั้นล่างๆมาไม่บริบูรณ์อันอินทรีย์สังวรนี้สําคัญนะ ก็ถ้าถ้าพูดถึงคนที่อากุศลวิตกเนี่ยนะเรียกว่านิวอ์ก็เป็นไปร่วมกับอกุศลวิตกนั่นแหละก็เกิดจากโดยทั่วๆไปก็คือไปเห็นหรือไปได้ยินเป็นต้นมานั่นแหละนิวอ์จึงกลุ่มรวมเพราะก่อนหน้านั้นอ่ะไม่มีอินทรีย์สังวนมาก่อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหมั่นมีอินทรีย์สังวนเอาไวบ้บ่อยๆอากุศลก็ไม่เกิดไม่กลุ่มรวม แต่คนที่จะสำรวมอินทรีย์ได้เนี่ยนะข้อต่อไปก็สำคัญคือการรู้จักประมาณในโภชนะนั้นอาหารก็สำคัญมากนะที่จะกระตุ้นต่อโลภะหรือการฉันทะเนี่ยนะนเช่นในพระไตรปิฎกพูดถึงพระภิสุที่เกียรตครานเนี่ยนะอกุศลวิตกเกิดจากเนื่องจากว่าท่านฉันพอแก่ความต้องการแล้วก็นอนจนพอแก่ความต้องการเนี่ยนะคิดว่าเอาจนพอใจหมดลอ ฉันก็อิ่มเต็มที่หมดเลยนะแล้วก็นอนทีนี้พอพอฉันเต็มที่นอนพอนอนเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาแล้วทํำยังไงคร น, นี่นก็อกุศลทั้งวันเลยวันนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นอินทรีย์สังวรกับรู้ประมาณในโภชนะนี้สําคัญมากนะแต่ว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีกัลยาณมิตรนี่นนะกัลยาณมิตรคอยบอกคอยตักเตือนคอยแนะนํา ถ้าไม่มีกัลยาณมิตรนะปฏิบัติเองอาจจะได้ไม่สํานวนว่าไม่ค่อยมีกี่น้ําอ่ะถ้าไม่มีพี่เลี้ยงอ่ะนะนั้นพี่เลี้ยงก็สําคัญมากเพ้าเราว่ามีกัลยาณมิตรแต่ว่าจะอาศัยกัลยาณมิตรก็ต้องไปสนทนาในสิ่งที่เป็นสปายะกับท่านนะนะไม่ใช่ว่าท่านก็อยู่เราก็อยู่นะแต่ว่าก็อยู่วัดเดียวกันเฉยๆยังไงแต่ไม่ได้คุยอะไรกันเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนัก หมายถึงการสนทนาเรื่องอสุภะอย่างมากนั่นเองซึ่งคำอธิบายก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะถ้าจะละการมฉันทะตรงๆเลยเนี่ยนะในสติปัฏฐานนี้ควรจะเป็นบัพพาไหนกายานุปัสนาทั้งหมดเลยเนี่ยนะเป็นอาหารของการให้เนคขมมะหรือกุศลเกิด เป็นตัวที่ตัดการมาฉันทะโดยประการทั้งปวงคือให้เอาเรื่องร่างกายมาคิดมากๆเลยนะคิดเรื่องร่างกายอนัต t h ทรงจํำแบบคร่าวๆกายานุปัสนาทั้ง14บสี่าปะนะขึ้นต้นด้วยลมสองอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเมื่อยืนเดินนั่งนอนมันก็มีการไปการมาการคู่การเหยียดการแเร่เรียวการเห็นการได้ยินเนี่ยนะการจับการต้องการนุ่งการถ่ายอุจาระปสวะการกินดื่มเคี้ยวลิ้ม พอละเอียดไปกว่านั้นจริงๆอ่ะในร่างกายนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นตน้นพอมีความเข้าใจอย่างนั้นก็มาแยกสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นธาตุสี่พอแยกเป็นธาตุสี่ก็ยังไม่ํานวนว่ากามฉันทาก็ไม่สงบนะครับก็เอาซากศพที่ตายแล้วมาเปรียบกับคนเป็นเนี่ยนะคนเป็นที่ว่าก็คือคนเปรียบนั่นแหล ะ, ะนะพึ่งน้อมเข้ามาสู่ร่างกายอันนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เราก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ ชีวิตแต่ละคนนี่คงผ่านศพมาไม่น้อยเนี่ยนะที่ไปเห็นเรื่องศพทั้งหลายแหละเนี่ยนะเอามาน้อมเข้ามาสู่กายนี้ได้หมดเลยเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะเพิ่งไม่นานนี้ก็น่าจะน้อมมาได้นะคุณนภาน้องนะนะก็น้อมเอามาได้ว่าถึงเราเองก็เป็นอย่างนี้ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้เนี่ยนะไปไปที่ป่าช้าก็น่าจะน้อมแบบเนี่นะตรงนี้ยศพนี้เขาเผามากี่ศพแล้วก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละนะมันก่อน ที่กรุงเทพผูพ้การก็ถามว่าคุณแม่เผาตรงนี้แหละว่างั้นนะเอา้าน้อมเข้ามาสู่กายหรือยังอ่ะนะถ้าน้อมมาก็ใช้ได้แล้วมมก็เป็นสติประญานทันทีเลยนะก็น้อมเข้ามาสู่กายนี่แหละวนะ่าเพราะฉะนั้นถ้าไปงานศพมากี่สิบงานแล้วนะทุกงานเนี่ยน้อมมาได้หมดเลยไปเห็นซากศพที่ไหนก็ช่างเลน้อมเข้ามาได้หมดเลยไม่เห็นศพคนศบสุนัข ก, ก็ยังดีก็น้อมเข้ามานี่แหละนี่นะจนกว่าจะ มีพิสูรรูปหนึ่งสมัยพุทธกาลท่านเจริญบอกเห็นแผ่นดินทั้งหมดคือกระดูกเล ย, ยนะมนุิการแผ่นดินถึ ง, ท, งทั้งหมดที่เห็นเนเนี่ยคือกระดูกหรืออีกนายหนึ่งก็บอกว่าถ้ายังอยู่ภูเขาอย่างงี้ใช่ไหมเออเนี่ยกลับไปขึ้นนอนบนศพทีหนึ่งแะ้ะก็ศพหนึ่งหนึ่งกลับก็สูงเท่าภูเขาใช่ไหมเออเนี่ยขึ้นไปบนกองซากศพอีกครั้งหนึ่งนะนี่กําลังนอนบนทับซากศพอยู่นะ นะก็สายใจแบบนี้คิดอย่างนี้บ่อยๆการมาฉันท่นินวรณนก็ไม่กลุ้มรุมทีนี้ถ้าถ้าการมาฉันท่านนิวรณ์ไม่กลุ้มรุมแล้วมันดียังไงอันนี้แหละที่สําคัญมากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเลยเนี่ยนะถ้าการมาฉันท์ไม่เกิดแล้วอ่ะจะได้เอาไปคิดอะไรต่อนะเพราะจิตที่นิวรณ์ไม่กลุ้มรุมเป็นจิต ท, ที่เบาเป็นจิต ท, ที่อ่อนควรแก่การงานเนี่ยนะนะแล้วจะน้อมจิตอันนั้นไปทําอะไรเนี่ยนะ พ ก, การนองมิเคถ้าการมาฉันทาไม่กลุ่มเริ่มเลยนะจะไปคิดอะไรต่อไ ป, ปญญอ๋อจะได้ทำปริญญาได้มนะจะได้เอาขันใดขันหนึ่งเนี่ยนะหรือเอาขันทั้งห้าหรืออายตนะ12บสท่า18หรือจะเอาเรื่องชีวิตเอาเรื่องวัตตะเอาปฏิจจสมุปบาทมาใครครวนให้มันเห็นจนแทงตลอดอริยสัต์น่แหละ จนกว่าจะนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธค้าขามีนิปฏิปทาซึ่งเป็นธรรมะที่มีคุณอย่างสูงสุดแต่ถ้าไม่ได้มีอัธยาศัยอยากจะตรัสรู้สิ่งเหล่านั้นเลยเนี่ยนะไม่คิดอยากเลยนะสำนวนไทยๆว่าไม่คิดอยากเลยนะท่านนิวรมันไม่กลุ้มรุมแล้ชีวิตจะมีรสชาติได้ยังไงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไปหาย้อมใหม่เปิดทีวีดูก็ได้ฟังเพลงก็ได้ยอมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะและอกุศลก็กลุ้มรุมตามเดิมไป นันในที่อื่นๆโดยเฉพาะในสุตตานิบาตอุรค่าสูตรเนี่ยนะพูดถึงการพิจารณาโทษของกามราคะหรือกามฉันทะอันนี้ก็สําคัญนะนะที่อื่นๆในครับพระไตรปิฎกหลายๆแห่งก็คือเน้นให้การพิจารณาโทษของกามฉันทะนะส่วนตรงนี้จะยกข้อความในคาถาธรรมบทนะตันหาวักนะตันหาวัก ที่จะกล่าวต่อไปแต่ก่อนจะกล่าวตันหาวักนี้ะจะเล่าเรื่องเรื่องพรามเรื่องหนึ่งให้ฟังนิดหนึ่งก่อนอะนะคือพรามพรามผู้ผู้ใหญ่เนี่ยนะเป็นพรามมหาสารมีทรัพย์มากร้อยคนในแคว้นโกศลเข้าไปในวัดเชตาวันไปถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าพรามเมื่อก่อนกับพรามตอนนี้เหมือนกันหรือเปล่าพระ อ, องค์บอกไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงเนี่ยนะ อ, อง์ก็เล่าถึงว่าพรามแต่ก่อนนะ เป็นพรามประเภทพรามเหมือนพรมพรามเหมือนเทวดาพราหม์เหมือนจันทาร์อะไรเนี้นแล้วพรามเหมือนพรหมเป็นยังไงก็คือพราหมณ์ที่พอเติบโตมาหน่อยเนี่ยนะเขาจะส่งเข้าเรียนเลยเรียนอย่างเนี้ยจนอายุสี่สิบปดปีประพฤติโกมารพรหมจันทร์เนี่ยนะมันอายุตลอดตั้งแต่นั่งเกิดมาจนถึงอายุสี่สบแปดปีเนี่ยจะประพฤติพรหมจันทร์ตลอดเลยคือหมายความว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามอะไรแม้แต่หน่อยเดียวเลย เน้นหนักไปในการศึกษาพระเวท ศ, ศึกษาคัมภีร์อะไรของเขาแล้วก็ดำรงอยู่ในในจารีตประเพณีในวิธีการปฏิบัติซึ่งเป็นไปกับพรหมวิหารเรื่องวัดปฏิบัติทั้งหลายแหล่นั่นเอ ง, องนะแต่เราก็ไปเจริญบางพวกทําตัวแบบพรหมต่อไปก็คือไม่ไม่ลาศึกไม่ลาศึกไม่มีครอบครัวเนี่ยนะก็บําเพ็ญเจริญพรหมวิหารก็ไปสู่พรหมโลกเลย น, นะบางพวกก็พราหมยยิ่งเทวดาก็พวกนั้นก็กลับมามีครอบครัวแต่ก็ เป็นคนมีศีลธรรมเป็นอย่างดีมากเนี่ยนะบางพวกแบบจันทานก็คือออกมาทําตัวก็คือบอกว่าสมสูไม่เลือกไม่เลือกวันณะอ่ า, างนั้นเถอะแต่ก็ยังประพฤติดีปฏิบัติชอบมีศีลธรรมอยู่นะอันนี้เป็นพราหมณ์รุ่นแรกๆเป็นอย่างนั้นทีนี้ตอนหลังๆมามันมีพราหมณ์กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะที่จริงๆแล้วชีวิตของพราม์สมัยก่อนมันคล้ายๆกับพระภิกษุสมัยนี้นั่นเองนะคือใช้ชีวิตหนึ่งบินทบาทชั้นเนี่ยนะ นอนอยู่ตามแผ่นดินตามโคนไม้ตามอะไรทั่วไปเจริญพรหมมิหารน่นนะรูปแบบคล้ายๆกับชีวิตของพระพิสูจน์นั่นแหละแต่ว่าเน้นเขารักษาศีลห้ากับอีกข้อหนึ่งคื อ, อไม่มีครอบครัวนี่นนะแล้วก็เจริญพรหมมิหารไปเรียกว่าศีลมีพรหมจรรย์เป็นที่หกเลยนะแล้วก็เจริญพรหมมิหารเจริญกรรมฐานไปทีนี้พอพรามเหล่านี้เนี่ยนะก็ พระราชามหากษัตริย์เป็นต้นนับถือก็เข้าวังออกวังไปฉันในวังบ่อยทีนี้ก็เริ่มคิดแล้วเออพระราชานี่ก็มีบ้านอยู่เราทําไมไม่มีบ้านอยู่พระราชาฉันของอร่อยอร่อยเราทำไมไม่มีของอร่อยฉันบ้างนะพระราชามีที่อยู่ที่อาศัยดีมีสนมนารีมีโนโนมีนีเ่เรานี่อยากจะมีบ้างเหมือนอภิาชานี่เริ่มเกิดขึ้นนะการมฉันทะนี่ก็เกิดขึ้นเสร็จแล้วก็เราน่าจะมีอย่างนี้บ้างนะนะเรียกว่า ตอนแรกก็เปรียบก่อนว่าท่านมีเราไม่มีพอเปรียบไปในทุกเรื่องเขามีรถเราไม่มีรถ เ, ราเขาามีบริการเราไม่มีบริการเขามีเครื่องประดับเราไม่มีเครื่องประดับเขานอนบนที่นอนดีเรานอนบนใบไม้ในพื้นดินเนี่ยนะก็คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรืยๆเอ๊ะทำยังไงเราจะมีแบบนั้นบา้างพอคิดอย่างนี้เขา้าทําลายธรรมะของตัวเองเลยก็ไปดัดแปลงไอไ อ, ไ อ, ไอพระเวทใหม่นะนะพระเวทเมื่อก่อนก็เป็นพระเวท ซึ่งตามหลักก็คือตามพรหมวิหารตามหลักประเภทนี้ศลาจารีตที่ดีทั้งหลายแหละก็มาแปลงใหม่แปลงเรื่องยันทั้งหลายว่าต้องมีการฆ่านะั่นก็ไปเสี้ยมสอนให้อ่แปลงพระเวทเสร็จไปให้พระราชาเนี่ยฆ่าฆ่าโคเพื่อบูชายันเนี่ยนะพระราชาก็เชื่อฆ่าโคบูชายันพอฆ่าเสร็จเนี่ยนะในฐานะพรามเหล่านั้นเป็นอาจารย์ก็เลยให้บำนานใหญ่เลย นะก็พราหมเหล่านั้นก็มีทุกอย่างเหมือนกับกลุ่มพระราชาแล้วก็เริ่มทําตัวเละเทะมาตั้งกับปันนั้นแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านั้นมาเนี่ยโรคมีอยู่3ามอย่างคือโรคหิวไม่หิวกับโรคแก่มีอยู่3มโรคแต่พอฆ่าโคหลังจากนั้นโรคมี98โรคนะหลังจากนั้นมา98โรคสมัยใหม่รวมๆประมาณ1ันแปดรโรคนะโรคเหล่านั้นก็กําเริบมาจากต้นเหตุคือการทําปัณนาติบาสนั่นเองนะ อันนี้ก็พูดถึงาการมฉันทะถ้ามันลามขึ้นนะสามารถมาทําลายคําสอนของตัวเองได้ทำลายพระเวทได้ทีนี้พูดถึงพระภิกษุก็เหมือนกันอย่าว่าพราหมณ์เลยพระภิกษุในสมัยอันนี้พูดถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั่นนะก็ลักษณะเดียวกันพอกามฉันทะนิวนกลุ่มรุมมากๆเข้าทําลายคําสอนเองเลยนี่นะพระรูปนั้นก็คงคุค้นชื่อกันอยู่แล้วเนาะใครกัปปิระเนี่ยนะเอาองค์เดียวก็พอนะองค์ที่อื่นก็น้อมเข้ามาสวยตัวเอา